ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกโพลขอน้อมน้อมแด่พระปัจเจกพระเจ้าทุกทุกโพลขอน้อมน้อมแด่พระอาจารย์บบทั้งหลายอันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวเป็นที่สุดกราบขออกาศพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทละทุกลูก ตลอดจนเพื่อสาสมรมิกทุกท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมงานสมโพธิพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมพิสุทธิมงคล ซึ่งทั้งพระภิกษุสามนเณรและก็ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมรวมกันซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญซึ่งท่านอาจารย์โสภาซึ่งเป็นประธานสมได้พาหมู่คณะครูบาอาจารย์พระภิกษุสามนเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายพากันสร้าง พระมหาจะดีขึ้นมาเพื่อเทอิดทูนบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาหมาบัวซึ่งท่านอาจารย์โสภาเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตารูปหนึ่งที่ท่านมีความเคารพเทิดทูนต่อองหลวงตาด้วยเศียนข้าวอันสงสุดท่านจึงดำริที่จะสร้าง พระมหาธาตุทีดีอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็ได้มาช่วยกันที่จะสร้างพระมหาเจดีย์จนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกสิ่งทุกการก็เรียบร้อยเราจะมาก็เพื่อเคยมาครั้งแรกเคยเดินทางผ่านมาก็เห็นเจดีย์สีขาวผ่านไปไม่เคยเข้ามาที่แห่งนี้ ก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาพอดีก็ น, กนึกระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาบาบัวซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพระพิสุทธิสมเนนต่อจนญาติโยมทั้งหลายแทบทั้งประเทศที่ในส า, สายปฏิบัติอันนี้ครูบาอาจารย์ของเราก็ได้รับคำสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ซึ่งท่านเป็นผู้นําทั้งสายปฏิบัติสายกรรมฐานฤกษิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นะมีเป็นจํานวนมากที่ท่ทานบรรลุมรรคผลวิภานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดมีเป็นจํานวนมากในยุคที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้ยส่วนมากสายปฏิบัติก็เป็นสายหลวงปู่มั่นนี่แหละสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหมาบัวของเรา ซึ่งพวกเราทั้งหลายก็มีความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งแม้แต่มาเย็นก็เคารพนับถือท่านเหมือนกับหลวงพ่อชาซึ่งมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเคารพนับถือหลวงตา ม, มาบัวเสมอเหมือนหลวงพ่อชาตั้งแต่ก่อนจะบวชก็มีคนแนะนำเราคิดว่าจะบวชแต่ไม่รู้จะบวชที่ไหนในแผ่นดินนี้จะบวชที่ไหนก็ได้ขอเป็น สถานที่ชนบทอยู่ตามป่าตามเขาตามถาม้ำก็มีคนแนะนําให้รู้จักในทางอาบอกว่ามีหลวงตามหมาบัวมีหลวงพชาที่ทำเป็นพระปฏิบัติดีประจอบซึ่งเราก็ไม่รู้จักต้องการเปลี่ยนเพศแค่นั้นแหละเปลี่ยนเพศจากฆราวาสเป็นสมณะนักบวชต้องการที่จะมุ่งประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ แต่เมื่อคนเขามาแนะนำแล้วก็ขอดูรูปก็ไม่คิดอะไรมากไม่รู้จักขอดูรูปเขาก็รูปไม่ดูเรามา็รูปหลวงตาหมาบัวรูปหลวงพ่อชาก็ก็คิดว่าท่านเป็นผู้ไปปฏิบัติชอบเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ดีที่สําคัญคิดแค่นั้นแหละเป็นเด็กก็คิดตามปาะาเด็กแต่เขารบนขาถือทตันแต่สุดท้ายแล้วก็เลือกมีกรรมไปดื่อตะกลุ่มพ่อชา ว่าตอนนี้พิจารณาว่าถ้าจะบวชลงอยู่หลวงตาก็ต้องมาที่อุดรถ้าอยู่หลวงหลวงพระชาก็าาไปที่บนนี่พอดีโยมวิดาคือพ่อของเราอยู่ที่บนก็เป็นห่วงท่านว่าถ้าเราอยู่ที่ดอนท่านจะเดินทางมาเยี่ยมลำบากเราก็เลยพงใจบวชที่วัดหนองพระพง์แต่ความรู้สึกก็เคารพนับถือท่านมากพอได้ยินว่าจะมีงานสมโพรณ เจดีของหลวงตาหมาบัวซึ่งทอาจารย์โสภาได้มีความนําดีแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ก็ซึ่งหาได้ยากเพราะหลังจากหลวงตานิพพานแล้วเนี่ยก็คงเป็นเจดีนี้ที่เสร็จก่อนหลวงปรีก็กำลังทําอยู่ที่วัดป่าพันตาดก็กลังที่สร้างแต่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็ทําได้สวยงามีการทํา พระมหาเจดีเนี่ยเนี่ยพวกเราทั้งพระทั้งโยมทําด้วยจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาต้องการสืบพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาหมาบัวเนี่ยเราจะการสืบคําสอนท่านเนี่ยนี่ท่านยกขึ้นมาเป็นเจดีที่เหมาะสมเจดีของพระหลานพระหานสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อกี้ก็พบท่านประดีท่านก็พาไปดูภายในท่านก็ทำได้เรียบร้อยได้ประณีตทำได้ได้ดีมากนะอันนี้ก็ท่านเพิ่อคุณพระคุณของของค์หงตาอย่างยิ่งและพวกเราทั้งหลายก็ได้มาช่วยกันได้มาสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่เพราะการสร้างเจดีย์นี้ก็จะสืบพระศาสนาต่อไปเป็นพันปีหลายร้อยปีเป็นพันปีคนมายกมือไหว้ก็เป็นบุญละ มาร่วมการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างคนละเล็กคนน้อยต่างกำลังกายกําลังใจของแต่และคนก็เป็นบุญคือเป็นบุศล่ีนี้สิสงมากนะถ้าเรามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องให้ส่งอันนี้มันก็จะถึงพระนิพพานนั่นแหละจนถึงพระนิพพานในการสร้างพระหมหาเจดีย์เนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นบุญส่วนทั้งพระทั้งทั้งญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาง่ายง่ายต้องประกอบด้วยศรัทธ า, าจริง ที่จะสร้างขึ้นมาได้แต่ร่องรอยของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่สืบต่อกันมาจนถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นจนถึงหลวงตามหมาบัวเนี่ยจริงๆแล้วท่านเน้นในการปฏิบัติภาวนาเน้นการปฏิบัติภาวนาทั้งจิตใจเป็นสำคัญเรื่องวัตถุภายนอกนี่ท่านไม่ได้เน้นหรอกนะสำหรับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่น หรือลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยหรือลงตามหาบุเองก็ตามท่านทําเป็นตัวอย่างท่านไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าทำนอกนั้นท่านปัดหมดท่านเราจะทําเป็นใหญ่สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆปัด ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป่าบรรดาเราก็รู้แล้วพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่ทานก็ไม่ได้ทําอะไรมากเนี่ยแต่ท่านเราทําเป็นใหญ่แต่นี้ลูกศิษย์ของท่านมาทําตรงเนี้ยมันก็เป็นวัฒนาบารมีของท่านเป็นจริยนิสัยของท่าน ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามการสร้างบุญบารมีนั้นพาธรรมเนียพวกเราก็ได้สร้างบุญบารมีต่อนะถ้าการสร้างเสนาสะนะตาวน์ประถูในพุทธศา ส, สนาไม่ดีพระพุทธองคงจะห้ามแล้วล่ะตอนที่สร้างวัดเชตวันที่อนาธิกาบินทัศเสถียเอาเงินมาปูปพื้นที่เพื่อซื้อที่ดิน ถวายวัดในพุทธศาสนาท่านคงจะบอกว่าอย่าทำเลยการทำเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามการที่สร้างบุญบา ร, รมีหรือนางวิสาขาสร้างวัดบุปผาลามก็เหมือนกันก็ใช้ทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนหลายสิบโกดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเป็นจำนวนมากสร้างขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ห้ามเพราะมันก็จะเป็นบุญกุศลบุญบา ร, รมีที่สร้างสืบต่อไปเพื่อ จุดมุ่งหมายในการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเดียวของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้คือการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแต่เหตุการ์การสร้างทานบารมีบุญบารมีมันก็เป็นอันหนึ่งแนละ้วแม้แต่ผู้ชมท่านก็สร้างทานบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแม้ในก่อนที่ท่านในชาติสุดท้ายของมนุษย์นะท่านก็เกิดเป็นพระเวสสันดรนะท่านทําทุกถึงทุกอย่างสลับทุกถึงทุกอย่าง ทรัพ ส, สมบัติบุตรธิดาภริยาหรือแม้แต่ชีวิตน่ะสลา ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปัทนาโพธิญาปัทนาที่จะตัดทะลุตัดทะลุอ น, สนสุสัมมาตัดทะลุอนุตลาสัมมาสัมพุทธญาณในภายพักหน้าคือปัทนาความเป็นพุทธเจ้าทีต้องสร้างบารมีทั้งสิประการทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างบารมีอ่ะมันก็เกิดบุญเกิดกุศลทุกสิงทุกอย่างเป็นทางดําเนินไปเพื่อความบรรทุก บุคคลทั้งหลายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่ผู้เจ้าลงมาจนตาสาวกเนี่ยก็ต้องบําเพ็ญบารมีเชิงสิประการแต่ผู้เจ้าบําเพ็ญบารมียิ่งใหญ่เป็นปรมัรมตธ บ, บารมีเต็มไปบุญมากกว่าสาวกทั้งหลายพระโมคคัานะสรีบุตรที่เขาสร้างบารมียิ่งจาลงมาและสาวกธรรมดาก็ยิ่งจาลงมาก็ต้องผ่านในการสร้างบารมีเชิงสิบประการเพราะการทําทุกถึงทุกอย่างก็แล้วแต่จริยนิสัย แล้วแต่วัสนธรรมมีของแต่ละท่านแต่ว่าทางที่อันดับหนึ่งเลยอะ่ะ น, นในยุคของเราที่เห็นนะ่ยไม่รู้นะอาตมาคิดอาจจะคิดผิดคิดถูกก็ไม่รู้ล่ะที่ได้ยินได้ฟังมาก็เกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอะอันนั้นอันดับหนึ่งเลยละ่ะนั่นแหละไม่ทันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะแต่ที่มาได้ยินได้ฟังอนะ่ะอันนั้นเป็นประพีธาที่อันดับหนึ่งนะหลวงตามหาบัวเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็ ก็ถ่ายทอดข้อวัดพิบัติมาจากหลวงปู่มั่นนะอันนี้ก็ดำหนึ่งนะนั่นแหละการกระทําข้อวัดทุกถึง ท, ทุกอย่างเป็นไปเพื่อทางคนทุกขอย่างเดียวนี่อั น, นดับหนึ่งเลยองค์หลวงตาเนี่ยท่านท่านมีเมตตามากเมื่อท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านทําประโยชน์ตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านทําประโยชน์ต่อพระพิสุทธิสมเด็ก่อนทำประโยชน์พระพิสุทธิสมเด็พอสมควรแนละ้วท่านสมคอชาวโลก แบบที่เราได้ยินได้ฟังนะทั้งประเทศชาติศา ส, สนาคาจุนพระมหากษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำเพื่อประโยชน์ของชาวโลกทั้งสิ้นซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นซึ่งหาได้ยากมีเป็นจำนวนมากรลยลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยน่าสจัจจนะน่าประทับใจในครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าท่านปฏิบัต แบบว่าชีวิต เ, เป็นเดิมพันธทั้งนั้นนะแต่ละท่านแต่ละองค์ที่ผ่านมาที่เราได้ยินครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทั้งพระพุทธสูตรมมณเนรและญาติโยมทั้งหลายให้เดินตามรอยของท่านเดินตามรอยปฏิทิาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นแบบอย่างเดินตามรอยปฏิทิาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบุญเป็นแบบอย่างนั่นแหละรอยที่ท่านดําเดินคําัสอนที่ท่านสอน ทางนั้นคือทางพ้นทุกข์ทางนั้นที่จะพัฒนาจิตใจเราไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือทำให้แจ้งตึ่นนิพพานอย่าออกนอกทางอย่าแทงซ้ายแทงขวาถ้าออกนอกทางก็ปิดทางหมดเพราะว่าในชีวิตเนี่ยของคนที่เกิดขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัาย ใครทําความดีไว้ก็ให้ผลที่ดีใครทําสิ่งที่ดีไว้ที่ไม่ดีก็ให้ให้ผลที่ไม่ดีแต่พวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์และยังพบคำสอนของส ม, ดสมดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, ส, าสืบต่อกันมาได้มีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหมาบัวเป็นครูบาอาจารย์เราสืบต่อมาเนี่ยเนี่ยได้พบทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดแล้วอันนับนับได้ว่า เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ประเสริฐเท่ากับคำสอนของพระพุทธองค์เลยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีทรัพย์สมบัติหมดรวมกันหมดทั้งโลกนี้ก็ไม่สามารถทำจิตเรานั้นให้พ้นจากวัฏฏสงสารได้ไม่สามารถทีด่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ภายในจิตใจเราได้เลยนอกจาก เราน้อมนำคงสอนของพระพุทธ ม, มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเราแต่คนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีความหลงมีความไม่รู้ที่ยังครอบงำจิตติดตามมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์ก็ได้พบความสุขในการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญก็มีความยินดีมีความพอใจสแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุสแสวงหาความสุขในรูป เสียงกิ่นลดกัมผัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้นี่จิตของคนทั้งหลายก็ติดก็หลงเพลิดเพลินมีความยินดีพอใจในพบแห่งมนุษย์พอใจในชาติที่ความเกิดขึ้นมาเพลิดเพลินกับการที่แสงหาทรัพย์ภายนอกมีความยินดีมีความพอใจติดอยู่ตรงนั้นแ่ะปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไป ที่แสวงหาแต่วัตถุธาตุต่างๆภายนอกลืมพิจารณาถึงความจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้และที่สุดแล้วก็ไม่มีใครร่วงพ้นมรณะไปได้เมื่อไม่มีใคร ไ, ได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตเนี่ยก็จะประมาทมัวแต่แสวงหาวัตถุธาตุต่างๆภายนอกแสวงหาความสุขในรูปเสียงเกลื่อสัมผัส เนียเป็นเหยื่อล่อของกิเลสทําให้จิตของสัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่มีความยินดีมีความพอใจเพลิดเพินไม่เห็นความทุกข์ <c oughs> ก็เลยมัวที่จะแสวงหาความสุขภายนอกทั้งทั้งที่มีลาบก็จะเสื่อมลาบละมียศก็เสื่อมยศมีแสนเสน่หก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไปนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแล้วความสุขทั้งหลายในโลกเนี้ย เราจะเกิดมาใช้ชีวิตแปดสิบปีเนกะ้าสิบปีอะถ้าอยู่ในเพศฆราวาสนะถ้าไม่เปิดพืชวัดธรรมนะอาตมาว่าไม่มีใครเคยพบความสุขที่แท้จริงหรอกมันเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงคนจํานวนมากมีความหลงมีความเพลิดเพลินพอใจในภพในชาติในความเกิด กิเลสก็ปกปิดจิตใจไม่เห็นความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งๆ ท, ที่เกิดขึ้นมาก็พบความทุกข์กว่าจะเดินได้พูดได้ชื่อเหลือตัวเองได้โตจเจริญไปขึ้นมาเต็มไปด้วยความยากลาบากเดี๋ยวก็มีโรคภัยที่เจบ็บปิดเบี้ยงก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความชราปิดเบียนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายจะแตกสายพาัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นี่เราก็ไม่เห็นกัน กิเลสก็ปกปิดจิตใจเราให้หลงเพลิดเพลินไม่เห็นทุกข์ภายในจิตใจก็มีจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจครอบงาจิตใจงเราบางครั้งก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางครั้งก็มีความคิดที่ไม่ดีถ้าเราขาดสติปัญญาเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเนื้อเวนตัวตนเราและหลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเรา สิ่งใดก็แล้วแต่ที่จิตเราเข้าไปยึมปดมัด่นถือมั่นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายปเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกต่ายจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในลม ก็กระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ามไปเมื่อพวกเราทั้งหลายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจเราทั้งหลายจึงพยายามที่จะหาทางออกจากความทุกข์คนต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาเห็นความทุกข์จึงจะหาทางออกจากความทุกข์ถ้าไม่เห็นความทุกข์เห็นแต่ความสุขก็หลงเพลิดเพลินอย่างคนทั้งหลายเป็นจํานวนมากที่มีความเพลิดเพลินมีความพอใจมีความยินดี ในการสแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่สัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยก็ติดข้องอยู่เป็นจำนวนมากแต่พวกเราทั้งหลายอันนี้แม้แต่เด็กดื่นนี่ก็ยังไม่กลับไม่หลับไม่นอนอยู่ดิมานั่งฟังอยู่นี่นะเด็กดื่นถ้าถุ่มแล้วก็ยังมานั่งมาสแสวงหาธรรมแสวงหาความพ้นทุกอันนี้ก็ส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่ก็หลงเพลิดเพลินไป ปล่อวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไม่เประโยชน์แต่เราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อ น, นิสัยปัจจัยเก่าให้ผลทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องอยากจะบําเพ็ญบุญในพุทธศาสนาอยากจะสร้างคุณงามความดีตามกําลังใจของเราเมื่อเราว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราทั้งหลายก็คงทําบุญ ตามสถานที่ต่างๆที่เราสะดวกที่เราทํากันกันเป็นประจำอาตมาว่าพวกเราที่มาเนี่ยก็มีการบุญกันกุศลที่ไหนเราก็ไปอาตมาว่านะก็อตาตมาไม่รู้จักโยมหรอกหลายๆท่านอาจจะไม่เคยพบกันแต่มาเชื่อว่าโยมที่มาในวันเนี้ยมีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลคงจะทําบุญกันเป็นประจำโดยสม่ำเสมอตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกําลังใจของเราการรักษาศีลนั่นน่ะ ให้รักษาสินห้าให้ได้เป็นปกตินะจึงจะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์กิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่จิตใจของเราของคนทุกคนของสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทานอยู่ที่จิตใจของเราคนเราทุกคนไม่ดีอยู่ที่บ้านเราไม่ดีอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อกิเลสอยู่ที่ใจครอบมามจิตใจของเรา มีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตเราถ้าเราคิดไม่ดีถ้าเราขาดสติปัญญาควบคุมจิตก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจกิเลสตัญหาเมื่อความโลภครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตก็เช่นเดียวกันคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีบางทีทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกัน อวนาดของกิเลสตนาคือความโลภครอบงำก็แก่งแย่งจริงดีกันได้ช่อชนทุจริตทำล้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเมื่อความโกรธความไม่พอใจครอบงำจิตก็เช่นเดียวกันทะเลกันทำรายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้เนี่ยนี่อำนาจกิเลสที่ครอบงำจิตถ้าเราไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ทึ่งเกิดขึ้นในจิตจากความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตเนเราก็จะไม่หาทางที่จะละความทุกข์ไม่หาทางที่ดับความทุกข์เรา แล้วก็ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตทางออกของกิเลสที่มออกมาจากจิตอ่ะมันไม่ออกมาจากรูไหนหรอกไม่ได้รู้มาจากท้องฟ้าไม่ได้โผล่มาจากใต้เจดีย์อย่างนี้หรอกมันออกมาจากจิตของเราแต่เราไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูจิตจิตเราก็หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นจิตเราก็เกอะแน่นเลยแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้น จิตกับอารมณ์นั้นเป็นเนื้อเดียวกันแนบสนิทกันแยกกันไม่ออกเราก็เลยคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์เราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้เมื่ออารมณ์ครอบงำจิตจิตเลยตกเป็นทาสของอารมณ์ตลอดกาลมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแนละ้วมาในปริวันชาติเนี่ยเราต้องไปวัด ต, ต้องแก้ไขต้องมุ่งหวังที่เจรณาเกียรตไม่ใช่ว่า รอไว้ในยุคพระสิยามีไตเราค่อยทํำรอไว้พบพระสิยามีไตในยุคหนานุ่นในพระเจ้าต่อไปเกิดมาในยุคนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมบรมกูเนี่ยมีวัฒนาแล้วล่ะนะด้พบคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์สืบต่อกันมาสองพันหกร้ยกว่าปีเนี่ยและมีครูบาอาจารย์ที่ดีสืบต่อกันมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกผู้สาวลูกผู้มั่นเนสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลมตามหาบัวเนี่ยเป็นหลักสืบต่อมาจนท่านอาจารย์โสภาก็มาตั้งสนานักอยู่ที่นี่ก็เป็นหลักอยู่ที่นี่สืบต่อมาทุกวันนี้เนี่ยเราเพียงแต่ว่าน้อมนำคำสอนท่านมาประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราทางออกของกิเลสออกมาทาั้งจิตแล้วบังคับให้เราพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราขาดสติปัญญาแม้ทำผิดทุกๆวันเราก็ไม่เห็นหรอกทาผิดทางกาย เบียดเบีนชีวิตการรักทรัพย์หลอกลวงก่มเหจิตใจกันดื่มของเมาทำผิดอยู่เป็นประจำก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าไม่มีปัญญาพูดโกหกหลอกลวงกันช่อฉนไม่รู้เรื่องอพูดผิดเป็นประจำหลอกลวงกันเป็นประจำมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจก็ไม่เห็นขี้เหร่งงมีข้อบงคับขนาด น, นั้ น, น่ะคิดไม่ดีใจก็เศร้าหมองแล้วก็ไม่เห็นพูดไม่ดีก็ไม่สบายใจภายหลังก็ไม่เห็นกระทาในสิ่งที่ไม่ดีซ้ำซาก ก็ทําอยู่นั่นนะนี่โดยมากทุกคนทั้งหลายแต่พวกโยมเนี่ยจะมาคิดว่าก็คงมีศีลกันเพิ่งเขา้าวัดทําบุญฟังธรรมแต่คนทั้งหลายอ่ะทำผิดเป็นประจําก็ไม่เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษก็ไม่เห็นประโยชน์เมื่อเห็นประโยชน์ก็ไม่มีใครมารักษาศิลกคนทั้งหลายในโลกเนี่ยยนย่อเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมาว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือมากกว่านั่นนะไม่มีศีลห้าหรอกมีศีลห้าถึงสิบเซ็ตหรือเปล่า สินห้านี้นึกว่าเป็นของง่ายบางครั้งก็พี้ง่ายนะคนยังผิดประพฤติผิดศีลอยู่เป็นประจำที่มันวุ่นวายในสังคมก็ผู้พฤติผิดศีลแต่เราทั้งหลายคงรักษาสินห้าเป็นปกตินะถ้าไม่รักษาสินห้าเป็นปกติให้พิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลมันจะมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลต้องรักษาให้ได้จะปิดทางออกของกิเลสเพราะกิเลสเ น, นออกมาจากจิตแล้วออกมาควบคุมให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดี เราต้องการตีต้อนตลบกิเลสเนี่ยเข้าไปทําลายกิเลสในใจเราอ่ะถ้าเรามียกกองทัพศีลเข้าไปอ่ะจะมีอะไรที่ไปยึดยึดเมืองกายเมืองวาจาขื่นได้กิเลสมันครอบงําเมืองใจไว้ยึดเมืองวาจายึดเมืองกายไปแล้วเมืองบริวาน่ะมันยึดไปหมดเราก็ตกเป็นท่านเขาเขาให้เราเพลิดเพลินกับความสุขในรูปเสียงกิริสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแค่นี้เราก็พอใจ พอใจที่เย็นนอนตายอยู่แต่ละพบแต่ชาตินี้กระดูกองทับไปไม่รู้ทีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านชาติพอใจยินดีเกิดตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็ไม่เบื่อไม่เบื่อความสุขนี้เคยเจอแล้วล่ะแต่ไม่มีอิ่มไม่มีพอหรอกกิเลสตัณหาที่มันเกลี้กล่อมจิตใจสัตว์ทั้งหลายให้ไม่รู้จักอิ่มจกพอแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกพอแล้วก็ตามกิเลสตัณหาในกิเลสมันออกมาทั้งจิตใช้เราพูดไม่ดีทําไม่ดี เราต้องปิดทางออกของกิเลสออกมาทางคำพูดออกมาทางการกระทําแล้วก็ปิดด้วยศีลยกกองทัพศีนก็ไปปิดยึดไว้ยึดเมืองกายคืนยึดเมืองวาจาคือตีให้ได้ให้มีสัจจะบา ร, รมีเข้มแข็งให้มีศีนบา ร, รมีเข้มแข็งเข้าไปยึดเลยศีลห้าเข้าไปแค่ศีนห้าก็ยึดได้แล้วล่ะมีกําลังเข้มแข็งแล้วศีนแปดยึดเข้าอีกให้มันหนักแน่นเข้าไปอีกหรือศีนเข้ามาบทศีนเนี่ยสมเนนกับศีนสิบมาละเอียดขึ้นไป พระก็ศีลสองรอยิบเจ็ดละเอียดเข้าไปเป็นสติวินัยละเอียดเข้าไปไม่ให้กิเลสมีทางออกมาทางคําพูดและการกระทำล็อกไวเกไ้เลยล็อกตายเลยไขขั้นแจไวปศีลห้ามั่น 5, 000, คงตามกําลังกิจของแต่ละคนยานน้อยอ่ะถ้าจะมุ่งที่ทําลายกิเลสไม่มีศีลไปไม่ได้หรอกทำบุญรักษาศีลก็เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีคนดีก็ได้เหมืนลูกสมบัติเนี่ย มีความเคืงกลัวร่ายตบบาปได้สวรรค์สมบัติแต่ไม่รู้สมบัติสวรรค์สมบั ต, บติก็ยังเวียนเวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นแหละเรายังไม่ทำลายกิเลสถ้าเราปัญหาที่ทำลายกิเลสมันอยู่ที่ไหนค้นคว้าไปอยู่ที่จิตควบคุมกายวาจาด้วยศีลได้แล้ว่จิตของเราควบคุมได้อย่างบางทีจิตเราก็คิดพุ้งซ่านบางทีจิตเราก็หลงเผลอคิดไม่ดี บางทีก็มีความทุกข์ใจมีว่ามไม่สบายใจถ้าว่าจิตนี้เป็นจิตของเราเราทําไมปล่อยให้จิตเรามีความทุกข์เราปรารถนาความสุขกันไม่ใช่เหรอมีจิตของใครบ้างในที่นี้ที่ปรารถนาความทุกข์แตมาว่าไม่มีไม่มีแม้แต่คนเดียวจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแล้วทําไมปล่อยให้จิตใจเรามีความทุกข์มาน้าพบนับชาติไม่ทั่ว ในเป็นวันชาติก็ปล่อยให้ทุกข์อีกทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงครอบงาจิตทุกข์จากความคิดฟุ้งซ่านความคิดไม่ดีถ้าเราปรารถนาที่จะล่ความทุกข์หรือดับความทุกข์เนี่ยกิเลสอยู่ที่จิตต้องเข้าไปควบคุมจิตให้ได้ควบคุมกายวาจาด้วยศีลจะเข้าไปควบคุมจิตเราจะทําอย่างไรเราก็ไม่ต้องหาทางให้ยากลําบากเลย พระพุทธเจ้าหรือหลวงตามหาบวัวท่านก็สอนแล้วให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาด้วยกำลังของศีลคุมกายวาจาให้สงบด้วยกำลังของสมาธิจะควบคุมจิตให้สงบใครม่เคยทำก็ต้องฝึกทำครูบาอาจารย์ทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าทำแทนเราไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำแทนเราไม่ได้ ถ้าท่านทําแทนเราได้ท่านมีเมตตามากโดยมีพิบัติแล้วท่านคงบอกให้เราไปทํางานเถอะใช้ชีวิตครอบครัวเดี๋ยวเ พ, พื่อพุทโมหรือครูบาอาจารย์ทําแทนเองพวกเธอจะพนทุกข์มันไม่ได้ท่านได้ชี้ทางบอกทางว่าทางนี้นะเป็นทางที่จอกจากความทุกข์เป็นเส้นทางเดียวที่จะดําเนินไปเพื่อทําให้แจ้งเึืนน่องมรรคผนให้พากันบำเพ็ญบุญบา ร, รมีทั้งหลายเถปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อากันบําเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะกําหนดรู้ในยศาสตร์ธรรมทั้งสีประการคือกําหนดรู้ถึงความทุกข์กาหนดรู้ถึงสาเหตุที้เกิดทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กาหนดรู้ถึงข้อพืิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์เนี่ยเราจะคุมจิตเราได้ยังไงถ้าเราไม่มีสมาธิเราอยากจะลากความทุกข์ออกจากจิตใจของเรา ก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรหาอากาศหาเวลาสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบดันกลมกำหนดสติและลึกรู้อยู่กับกองคฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกกับเจิญของเราหลวงตามหาบัวท่านก็กำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังประวัติของท่านสืบต่อมาเนี่ยในการภาวนาใหม่ท่านไม่ทิ้งพุทโธเลยนะนั่นนะ่ะกาติดอยู่พุทโธรละลึกถึงอยู่พุทโธอยู่เสมอไม่ว่ายืนเดินนั่งทําอะไรจนจิตเป็นหนึ่ง เป็นเอกตาลมเอกตาจิตเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็สอนมาบอกมาอย่าทิ้งพุทธโธตั้งแต่ลราปู่มั่นลงมาเนี่ยอย่าทิ้งพุทธโธมีความฟุ้งซ่านมีความคิดที่ไมดีเข้าไปกราบพุทธเจ้าแล้วลึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธในใจอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจิตสงบเย็นเองอย่าคิดเรื่องอดีตอย่าคิดเรื่องอนาคตความฟุ้งซ่านต่างๆวางไว้คิดแต่พุทธโธเนี่ยลองคิดดู ละลึกถึงแต่พุโทโธพุโทโธเนี่ยมีสติต่อเนื่องเมืองนั้นอ่ะสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขมีเบิกขาเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะสงบไปเป็นลําดับลําดับไปขั้นตอนของสมาธิเป็นไปแบบนั้นแต่เราต้องมีความอดทนมีความเพียรทําให้มากจะเลยให้มากเนี่ยต้องยกกองทัพของสมาธิเข้าไปเข้าไปไหนอ่ะเดินทางไปไหนเข้าไปเข้าไปยิดเมืองใจไงล่ะ เมืองใจกิเลสเปนครอบงาอยู่เอาศีลมายึดเมืองกายวาจายไม่สงบยกทับสมาธิเข้าไปมีความอดทนมีความเพียรทำนั่งสมาธิภาวนาเมื่อยก็ไปเดินกรมเดินกรมเหนื่อยก็นั่งสมาธินั่งกายก่อนเพียก็พักพักผ่อนบ้างมีกําลังก็ทําต่อจะทําสมาธิทําแค่ไหนอ่ะถ้าจะทําจริงอ่ะถ้า่าจะชนะกิเลสจริงจริงอ่ะ จากจิตไม่สงบก็ทําจนจิตสงบนี่แหละไม่สงบก็ไม่ต้อไม่สงบก็ไม่เลิกทําถ้าไม่สงบก็จะทําจนจิตสงบทำวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทําอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมาเลยนี้ทําอีกแล้วไม่สงบเลยแล้ววันต่อไปล่ะทําไงคนส่วนมากไม่สงบพวกมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้นนี้ไม่สงบก็เลิกทำคลายความเพียรคลายความเพียรก็ไม่พสรับความสงบ ทำจนพบความสงบแล้วนั่งวันละครั้งไม่ไม่สงบก็นั่งวันละสองครั้งสองครั้งไม่สงบก็นั่งวันละสามครั้งเพิ่มไปเรื่อยๆจนพบความสงบทำไม่ต้องมากหรอกทำความเพียรได้ต่อสู้กิเลส <c oughs> ถ้าจะต่อสู้กิเลสถ้าจะยกกาลังใจที่ต่อสู้กิเลสที่มีในใจแล้วนะไม่ต้องมากทําแค่หมดลมหายใจ หมดลมหายใจในชาตินี้จะเลิกแต่จะเลิกแค่ชาตินี้นะชาติหน้าจะซัดอีกซัดต่อถ้ายังมีความรู้สึกขึ้นมาไม่ว่ากี่พบกี่ชาตินะ่ะจะตามล้างตามผางกิเลสจนสิ้นไปจากใจนะเอาแค่นั้นแนะ่ะไม่ต้องมากแค่นั้นแหะพอดีเพราะเราจะทําลายกิเลสเป้าหมายกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจความโลภก็อยู่ที่ใจความโกรธก็อยู่ที่ใจความพอใจไม่พอใจก็อยู่ที่จิตของเราเนี่ยแหละ ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตกับลมนั้นมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากลมได้ลองทำจิตสงบให้เป็นสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งมีสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเยนร้อนแข็งมันจะเกิดอาการจิตเกิดขึ้นเลยคือมีความพอใจในรูปมีความไม่พอใจ ในลูกเสียงขิ่รถสัมผัสก็เช่นเดียวกันแหละมันจะเกิดอาการที่จิตเกิดขึ้นพอตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสยานอนแข็งมันจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตคือความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยไม่ได้เกิดขึ้นที่ตานะไม่ได้เกิดขึ้นที่หูจมูกลิ้นกายความรู้สึกต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นที่อาการตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยร่างกายขอยงเราไม่ได้เกิดขึ้นที่นั่น มันเกิดขึ้นที่จิตของเรารูปเสียงกิตลรสัมผัสก็เป็นสัก็ว่ารูปเสียงโยสัมผัสเนี่ยความรู้สึกไม่ได้หยุดที่รูปหยู่ที่จิตของเราที่มีความหลงหลงกระแสของตาที่มองเห็นรูปเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนั้นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราแยกกันไม่ออกถ้าเราไม่บําเพ็ญสมาธิโพณาจะไม่เห็นจิตแยกออกจากลมเลย เพราเราจะหลงคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นแต่ถ้าเราเป็นสมาธิภาวนาจนจิตเป็นหนึ่งจิตเราจะแยกจากอารมณ์โดยธรรมชาติตายลูกหูดินเสียงจรศุลโดมขีนลิ้นสับปัดลดกายสับปัดเดือดร้อนแข็งอาการหลงจิตที่เกิดขึ้นเกิดความพอใจเราจะมีสติเห็นเลยว่าเอ้ยจิตก็เป็นอย่างหนึ่งนะอารมณ์ก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ สติสมาธิเด่นแน่วแน่มั่นคงอ่ ะ, ะเห็นอาการขีดเกิดและดับถ้ามันเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดขึ้นไม่ดับสติเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นมันไม่ดับเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเล่าออไปพิจารณากั้กองละความโลภออกไปเนี่ยสติปัญญาต้องรู้เท่าทันสติปัญญาเอาไว้ที่ไหนอ่ะเอาไว้ที่จิตอ่ะกำกับจิตใจเราไปตลอด การบําเพ็ญสมาธิภานาก็เพื่อเทียบก่อให้เกิดกําลังสติปัญญาเมื่อกําลังสติปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเอาสติปัญญานี่มาคุมจิตเมื่อเรายังไม่บําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วขาดสติปัญญากิเลสเลยคุมจิตเรามานักพบนับชาติไม่ทวนในไปนบัญชาชาติคุมจิตได้คิดฟุ้งซ่านคุมจิตได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีมีกิเลสตัณหามีความโลภมีความโกรธไม่รู้จักจบสิ้น แต่เราบําเพ็ญศีลก็เพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบบาเพ็ญสมาธิก็เพื่อควบคุมจิตให้สง บ, บเารเา ส, ส, สติปัญญาไปทำลายกิเลสเอาสติปัญญาไปกัดกองกิเลสที่โผล่ขึ้นที่จิตนะมันเป็นตะข่ายตะข่ายของสติปรรัญญาเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ไปตามถานที่ตา่างๆถ้ามีวัตถุแปลกปลอมเหมือนเครื่องจะร้องเนี่ยสติปัญญาจับอยู่ที่จิตนะกิเลสโผล่มาทำไ ม, มไม่เห็น นันจับอยู่ตรงนั้นอ่ะสติเฝ้าดูจิตอ่ะความโลภโผล่ขึ้นมาโผล่มาจากจิตก็ เ, เห็นแล้วก็มีอุบายปัญญาพิจณาการกองพิจารณาล่าออกไปเบื้องต้นแล้วคุมไว้อยู่ในขอบเขตของศินเนี่ยก็คุมไว้มีความอดทนอดกั้นต่อลมด้วยสมาธิมีปัญญาพิจนากานกองละความโลภออกไปคารวัตข็พอใจสิ่งเตี้วมีอยู่มีปัญญามีความยินดีมีความพอใจ ในสิ่งที่เรามีอยู่แสดงอาทรภายนอกด้วยความซื่อสัตย์จริตเนษณ์นั่นแหละก็มีปัญญาก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าจะต้องการทําลายกิเลสมันยิ่งกว่านั่นครับมันต้องรู้จักหน้าตามกิเลสความโกรธที่มีอยู่ในจิตนี่ยถ้าจิตหลงไปกับความโกรธมันก็ทุกข์อ่ะไม่ใช่ว่าฉันโกรธคนอื่นเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีมันมีความสุขเหรอเก็บกับกขังอารมณ์ไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปี มีความสุขเหรอไมนมีแต่ความทุกข์โกรธอี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นครั้งอ่ะล้วใครทุกข์คนอื่นเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราโกรธก็ตามแต่เราทุกข์เหรอเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราจากอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจทํำไมเราไม่คิดจะละถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปรรัญญามันก็เห็นตาเห็นรูปผูดินเสียงเกิดความไม่พอใจแล้วที่เก็บไว้ทําไมซัดซะเลย กิเลสโผล่ขึ้นมาซัดซัดไปในขนาดจิตนั้นทําลายไปในขนาดจิตนั้นไม่เก็บไม่กักขังไว้สติปัญญาจะคอยพิจารกกันกองทําความสะอาดจิตสัดฟอกจิตอยู่ทุกๆขนาดจิตแล้วนเนี่ยมันเป็นตะข่ายที่จะกันกรองเครื่องกองกิเลสที่โผล่ขึ้นมากรองอาไปเลยความโลภเกิดขึ้นมาก็จัดการละไปความโกรธเกิดขึ้นมาก็พิจารณาละไปจะเจริญเมตตาให้ไปาาที่กันละกันหาใบที่เยีบยบคลา ที่แต่ะอารมณ์ให้เร็วที่สุดเนี่แหละมันจะมีความชํานาญของสติปัญญาที่จะพิจารณาความคิดที่มีดีเกิดขึ้นก็ทําลายแล้วสติปัญญาจะรู้จักแยกแยะแล้วพอรู้จักแล้วว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จะมากันกรองคัดกรองแยกแยะอารมณ์ที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีไม่เก็บไว้ภายในจิตแต่เดิมนันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทําไม่ดีคิดดีก็พูดดีทดําดีเอาทั้งสองอย่าง เลยพบทั้งความสุขและความทุกข์ต่อไปจะละความทุกข์ขอกจากจิตเนี่ยก็ต้องกั้นกองละความคิดที่มีเดียวจากจิตทุกๆขนาดจิตรู้จักเรียกแ ย, กแยะละไปเรื่อยๆ เ, เห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่เก็บไม่กักขังไว้พิจารณาละออกไปเลยเห็นความโลภเกิดขึ้นก็พินาละไปเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็พินาละไปละมันบางคาราวะถือทําคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกําลังใจของเรา สั่งสมบุญเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยทามามากแล้วพอแล้วไม่มีพอหรอกทานบา ร, รมีไม่พอหรอกแต่อย่าให้เด็ดร้อนอย่าให้ลำบากถ้าเรามีศรัทธามีกําลังก็ทําไปมันไม่รู้ยกพอหรอกทำทานบา ร, รมีเต็มเมื่อไหร่ไม่รู้เองอนะ่ะสร้างไปแล้วศีลบา ร, รมีก็เหมือนกันสร้างบา ร, รมีไปให้มันหนักแน่นมัน่นคงสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมศีลไา ร, รมีทั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบ สินสองรยี่สิบเจ็หรือนักบวชต่างๆนี่ยก็สั่งสมเน่คําว่ามีออกบวชกําลังก็ใหญ่ขึ้นมากขึ้นในแต่ละแต่ละสิ่งแต่ละอย่างสั่งสมไปเรื่อยๆมันมีกําลังกําลังมันได้เข้มแข็งเข้มแข็งขึ้นในจิตสติ ป, ปัญญามันจะเฝ้าดูจิตเข้ามาจ่อที่จิตนี่แหละว่าทางออกกิเลสมันโผล่ขึ้นในจิตความพอใจเกิดขึ้นก็พินารณาความไม่เที่ยงเล่าไป ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พี่นาระไปสติปัญญานี้คอยกั้นกองมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กิเลสอย่างยาบความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจนี่ความยินดีในการอะไรกิเลสอย่างยาบเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นมันก็หลงมันก็ติดอยู่ข้องอยู่ถ้าเราเห็นเราจะละก็ต้องมีสติรู้เท่าทันมีปัญญาพ่นาระไปแต่ถ้าจะทําลายกิเลสมันมันต้องเอาจริงนะ สมาธินี่องส่งสมาธิให้ได้แล้วส่งสมาธิให้ได้ในระดับที่ว่ามีสติต่อเนื่องนะจิตเป็นหนึ่งที่จะเห็นกิเลสอย่างยาวก่อนมีสติเห็นกิเลสอย่างยาวคือความโลภเล็ดลอดมาไม่ได้โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นความโกรธความไม่พอใจโผล่ขึ้นมาต้องเห็นเห็นแล้วก็ซัดไปในขณะจิตนั้นนะตัดคอไปไม่เก็บไม่กัดทังไว้เลย ีนักบวชเราเนี่ยต้องทรงสมาธิเลยล่ะยืนเดินนั่งทําอะไรต้องทรงสมาธิในบทต่างๆจากนั่งสมาธิสงบเดินยืนกรมก็ต้องให้สงบเดินยืนกมสงบนั่งสมาธิสงบแล้วการักษาสมาธิไม่เป็นเนี่ยออกจเกยียบทนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็ฟุ้งซ่านดิหลงไปกับความคิดหลงไปกับลมล้มปกับแสรูรปเสียงทีล่ลดผัดสมาธิก็อ่อนอ่อนออนลงไปจนหมด จิตกรเสื่อมพอไม่รู้จักรักษาสมาธิไม่รู้จักทรงสมาธิเมื่อออกจา ก, กบดนนั่งสมาธิเดินกรมก็ทรงสตินั่นแหละพลังของสติเข้มแข็งคือทรงสติต่อเนื่องจะยืนเดินนั่งก็มีสติตามดูแลรักษาจิตของตนทรงสติสมาธิอยู่ในปัจจุบันสติสมาธิที่ทรงอยู่ในปัจจุบันมันจะเห็นจิตและเห็นอารมณ์อยู่ เห็นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นมันโผล่มามันเห็นอยู่เห็นก็ทําลายละความโลภละความโกรธลาความทุกข์ไปเรื่อยๆจิตมีควา่างจิตที่ว่างจิตที่เป็นการลางนี่จะถูกต้องให้วางความพอใจและความความไม่พอใจในรูปสิง่งที่สัมผัสปรับจิตให้ได้ความพอใจก็ไม่เที่ยงให้เห็นด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นการเป็นเวหาความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงถ้าสติปัญญาเห็น มันก็วางทั้งความไม่พอใจจิตก็เป็นกลางแม้นกลางชั่วข้าวก็ตามอยู่ชั่วข้าวแล้วจิตเป็นกลางชั่วข้าวเพราะทําลายละวางอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจชั่วข้าวมันก็วางชั่วข้าวแต่ด้วยตายรูปใหม่ก็ต้องเกิดอีกหูยินเสียงใหม่ก็เกิดอีกเกิดอะไรเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจมันเกิดอยู่นี่มันเกิดที่จิตแต่มีสติให้รู้เท่าทันเถอะอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ถาการวิจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่ดับก็ใช้ปัญญาพิจารณ์ละถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังก็ตัดด้วยสมาธิกำหนดลมหายใจกำหนดพุดโธตัดเลยเนี่ยต้องลาบในปัจจุบันอยู่ขนาดจิตเนี่ยทุกๆขนาดจิตทาลายไปเรื่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์มัเหมือนก้าเดินมีตามถนนเนี่ยนะเดินไปตามถนนตามองพื้นเห็นแก้วแตกอยู่ทางงําไง่เดินเพื่อจะเหยียบเพืหยิบทิ้งข้างทาง เดินไปเจอตะปูหงายอยู่ต่อกไม้หงายอยู่เดินก็จะเหยียบก็โยนทิ้งข้างทางเดินไปอีกเจอหนามฝังอยู่ก็โยนทิ้งข้างทางทางก็โล่งเดินสบายนี่ขนาดจิตที่ก้าวเดินน่ะมีลมความโล่เกิดขึ้นก็โยนทิ้งไปล่าออกไปมีลมความโกรธเกิดขึ้นก็ทิ้งไปมีลมความพอใจไม่พอใจทิ้งไปทางก็โล่งจิตก็ว่างนี้นแต่ลมมันไม่หมดหรอกนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่ตาเห็นรูปผู้ยิเสียมันเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความไมเฉยถ้าเราปฏิบัติที่มุ่งหวังดีทําลายกิเลสต้องย้อนทวนกระแสมาพิจาณากายในกายตนอันนี้ละ่ะทางที่ขุดลากถอนโคนเพราะจิตของคนเราเนี่ยลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้นเป็นตัวตนของเราก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของผู้คนเห็นเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของของบางตน กับการความโรคความกดความหลงเจตนาเกิดขึ้นเนื้อทวนกระแสะเข้ามาสิ่งที่จิตเคยยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราโลกไปแข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายแตกหลายก็จิตใจก็เป็นทุกข์จิตทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนงเราทําไมคนอื่นเขาตายเนี่ยเกิดอุบัติเหตเสียชีวิตกันเดินทางไปนน่นไปนี่ เราไม่รู้จักไม่เห็นทุกข์เลยเกิดทำร้ายกันทำลายชีวิตกันเกิดสงครามตายเราไม่รู้จักไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราเราก็ทุกข์ถ้าเป็นพ่อแม่ลูกหลานเราก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นญาติพี่น้องเราเป็นตัวตนเราเราก็ทุกข์แต่คนอื่นเราไม่รู้จักเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์ การที่ปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยนั่นแหละเหมือนกันเลยแหละเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเราเลยก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยพิจารณากายในกายตนเนี่ยพิจารายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสอนใจแล้วเห็นความจริงร่างกายนี้ประกอบไปด้วยอะไร ไม่ว่าร่างกายของชายหรือหญิงก็ตามก็ประกอบด้วยธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวทอนนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุดอันนี้เราก็รู้ทุกคนแหละแต่ความรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่ดับความทุกข์ได้หรอกเรารู้ว่าเราเกิดมาต้องแค่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ยังยึดมั่นหรือมั่นเราเรงหลงอยู่เราไม่สามารถปล่อยวางได้ เรากลัวเจ็บ ก, กลัวแก่กลัวตายทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีความหลงก็ไม่อยากตายทั้งที่ว่าทั้งที่ว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีมรณะคือความตายที่สุดแต่เราก็หลงกลัวตายเพราะความไม่รู้ข้อมำลิจิตใจของเราเราจะกลัวตายหรือไม่กลัวตายเราก็ต้องตายแต่ถ้าบุคคลซึ่งมีปัญญาพิจารณาถึงฌานพิงของชีิตว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ลงพ้นความแก่ไม่ลงพ้นความเจ็บ ไม่ลงพ้นความตายไปได้เราก็จะไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่จะเอาข้อท่าร่างกายนี้มาบําเพ็ญบุญมารักษาศีลทำทานที่เจริญภาวนาเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วจึงว่าเราติดยึดมั่นถือมั่นตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นแหละทุกพอยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถนัดพิจารณาการสามสองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็พิจารณาไปพิจารณาเห็นความเป็นปฏิคูลความเสือ่อมความไม่เที่ยง แยกแยะพิจารณาไปถนัดพิจารณาสุภะกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาไปร่างกายคนอื่นบ้างให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกหรือกำหนดพิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกก็ตามพิจารณาไปหรือจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็พิจารณาไปสอนใจเราถ้าจิตทรงสมาธินี้แ่ละจึงจะพิจารณาได้ ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เทียมจิตไม่เห็นก็เกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางมันก็ปล่อยวางได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นต้องศีลจำทรงศีลเป็นปกติจะมีศีลห้ากระทรงศีลหจะมีศีลแปดก็ทรงศีลแปดจะรักษาศีลสิบก็ศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเ็ทรงศีลสองยี่สิบ็ดเป็นปกติให้เป็นพื้นฐานสมาธิก็ต้องทรงสมาธิ กำลังของศีลควบคุมกายวาจาไว้กำลังสมาธิตึงจิตไว้ล็อกไว้เลยสติปัญญากิเลสโผไม่ได้โผล่มาเมื่อไหร่ฟันเมื่อ น, นั้นแหละความโลภโผลขึ้นมากขาพิจารณาความโกรธโผลมาพิจารณาความยินดีในกรรมทั้งหลายโผขึ้นมาพิจารณาทุกขณาจิตไม่เก็บไม่กักขังไว้ลาไปเรื่อยๆถ้ายังไม่หมดก็จะลาไปเรื่อยๆนะจิตบ้างจากรลมก็ยกล่างกายขึ้นมาพิจารณา ไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งก็หยุดพิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบพักจิตในความสงบแล้วมีกําลังก็พิจารณาต่อถ้าอยู่ในญาบททั่วไปก็มีสติกํากับจิตใจไปตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรมีสติกํากับจิตเนี่ยจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาละกิเลสก็บางลงไปบางลงไปความโลภ ก, ก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไป ความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปกิดเขาเป็นกลางการพิจารณาในกายมันละเอียดเข้าไปมันจะชำนาญขึ้นเรื่อยๆพิจารณาในกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเกิดความสดสมเวทเกิดปิติเกิดการปล่อยวางชั่วข่าวพิจารณาไปบ่อยปิติความสดสมเวทไม่เกิดเกิดปิติแล้วเกิดการปล่อยวางพิจารณาบ่อยขึ้นไปอีกความโสดสงเวทไม่เกิดปิติไม่เกิด พินากายในกายเข้าสู่ความสุขเลยเนี่ยมันเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสติปัญญาก็จะชำนาญนะชำนาญการพินาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นมันชำนาญเนี่ยถูกควบคุมไว้ด้วยอสุภะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานมันล็อกไว้อะกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นมันก็มีอุบายแก้เพราะมันทันกันน่ะมันทันกันเนี่ยความดีๆในกรรมอะไรก็แก้ด้วยการพินากายในกายตนเนียมันทันกันพินาก็ปล่อยวางไป ก็เป็นกลางเรื่อยๆเป็นเบกขาเรื่อยๆล้าไปเรื่อยๆถ้ละความโลภความโกรธความทุกข์น้อยลงไปความสบเยึกเย็นใจก็เกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปมันก็พบความสุขที่แท้จริงอ่ะถ้าความโลภบรรเทาวางไปความโกรธบรรเทาวางไปความยินดีในการทั้งหลายบรรเทาวางไปความสุขที่แท้จริงค่อยๆปรากฏขึ้นในใจเราเองนี่แหละมันจะเห็นเองมันรู้ได้ด้วยใจเราเอง กิเลสมันละเอียดขึ้นมันยังมีอยู่สติปัญญาก็ละเอียดตามเลยแหละถ้าเราทรงศีลอยู่ควบคุมตึงกายวาจาไว้ล็อกไว้เลยไม่ปล่อยมันขยับเลื่อนไปไหนไม่ให้มันออกมาทางเนี้ยทางปิดก็ตึงได้ด้วยสมาธิมันโผล่มารูเดียวเนะี่ยรูใจนีแ่แหละรู้จิตนี่แหละโผล่มาเฝ้าอยู่ที่นั่นปากรูไม่เห็นหรอกเฝ้าอยู่ก็เห็นกิเลนมันละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามความไม่ พอใจเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นพิจารณาละความโลภไปละความโกรธไปบางไปเรื่อยๆก็เข้ามาพิจารณ์กายในกายตนละเอียดขึ้นไปเนี่ยทําลายกิเลสเต็มรอบของมันแต่ละขั้นแต่ละตอ น, นละไปทีละส่วนนะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สบายแล้วล่ะไม่มีชาติที่แปดแล้วเกิดตาไม่เกินเจ็ดชาตนะิเนี่ยความโลภกดน้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไป ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเงินน้อยลงไปสติปัญญาละเอียดขึ้นพิจนาล่ความโลภล่าความโกรธล่าความทุกข์น้อยไอีกล่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปอีกสติปัญญาเต็มรอบเา้าละวางวิ่งกถ้าะวางที่สองส่วนมัสบายแล้วจิตสงบเยอเือกเย็นอารมณ์เบาลงจิตคือพบความสุขที่มันละเอียดขึ้นไปอารมณ์ความโลภนิดเดียว ความโกรธความไม่พอใจนี่เดียวเกิดขึ้นกระดับไปยังไม่ทันทําอะไรก็เกิดขึ้นกระดับแล้วมันแค่คข้ของจานาเนะี่ยกับพรมเนี่ยมันนี่ง่ายอะ่ะมันรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์เอาสติทันเพิงก็ดับแล้วเนี่ยมันเลยเห็นง่ายอารมณ์เปนเพียงอาการของจิตเกิด ข, ขึ้นกระดับไปการพิจารณ า, าในการต้นส่วนละเอียดเนี่ยพิจารณาทะลุไปะพิจารณาสุภาษกํามฐานทะลุก็ไปถึงความว่างเนะี่ยความสดสาเวตปิติสุขไม่เกิดหรอกพิจารณาสุภาษทะลุถึงความว่างนะ กำหนดกายพิจาาแยกแยกธาตุไหนธาตุกรรมฐานก็ถึงความว่างหมดถึงความว่างไปเรื่อยพิจาณาซ้ซําๆพิณารณาบ่อยๆถ้ารู้ยังไม่หมดเดี๋ยพิจารณาไปพิจาณาจมนมันหมดหมดการพิจารณานี่การเรื่องการพิจารณาร่างกายรูปเนี่ยพิจารณาจมนมันหมด่ะจนมันรู้ทุ่ถึงนะร่างกายที่เป็นอดีตมาเป็นปัจจุบันแปลเปลี่ยนไปก็เห็นร่างกายที่แตกสลายแปลเปลี่ยนอนาคตก็เห็น กายในกายปฏฺฐัพนก็รู้เห็นทั่วถึงเนี่ยมันพิจารณาซ้ำๆจนรู้ว่ากายปฏิฐัพน์ก็สกปรกเป็นได้เพียงธาตุตามธรรมชาติมันเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตเมื่อไหร่ปั๊บมันจบมันเข้าใจก็จบมันวางวางการพิจารณากายนี่คือมันจบร่างกายของเราก็เป็นสักตว์ธรรมชาติร่างกายบุคคลอื่นก็สัตว่์ธรรมชาติยิ่งวัตถุธาตุทั้งหลายมันแหลกละเอียดแหลกละเอียดเป็นวัตถุธาตุไม่มีวิญญาณคลอง สัตว์ว่าธาตุธรรมชาติเนี่ยแผ่นดินในโลกนี้มันสัตว์ว่าธาตุธรรมชาติทั้งหมดถาวรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเป็นสัตว์ว่าธาตุธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วแปรเปลี่ยนไปแตกสายลงไปเป็นนี้อยู่มามิวขีดขี่หมื่นขี่แสนขี่ลล้านกี่กดโกดชาติสรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่เช่นนี้แหละเป็นสัตรีนสัตว์่าธาตุธรรมชาติทั้งหมดทั้งโลกนี้แหละทั้งแผ่นดิน เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแม้สิ่งที่มีชีวิตก็เป็นสัตวระว่าธาตุธรรมชาติจิตที่มันเห็นทะลุไปให้เป็นกลางให้เสมอกันเน่ะกายเราก็ไม่เที่ยงกายเราก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจิตปล่อยวางความโลภมันดับลงความโกรธมันดับความยินดีกามไในใจดับน นั่นแหละจิตมันว่างว่างหรือสักแต่ว่าเห็นสักว์แต่ว่าได้ยินเนี่ยรูปผู้อยู่ส่วนรูปเสียงขีนรถสัมผัสก็เกิดขึ้นก็ดับไปก็เป็นสัตว์แต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงขีนรถสัมผัสแต่ความรู้อยู่ที่จิตจิตที่เคยหลงยึดมั่นถึงมั่นก็ปล่อยวางปล่อยวางจิตก็เป็นกลางเป็นเวคาไม่ติดในรูปร่างกายเราล่างกายบุคคลเด่ไม่ติดวัตถุธาตุทั้งหลาย จิตเลยสงบเยือกเย็นเดินไปในถาำการความสงบเยือกเย็นเนี่ยมันเป็นงั้นความสุขที่แท้จริงก็ละเอียดขึ้นมาอีกมันสงบละเอียดเนี่ยบางทีมันว่างสงบละเอียดมีความสุขสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้คืนจิตมันก็ติดอยู่ในความสงบวันนี้แหละความหลงสุรีมันก็ติดอยู่ในปฏจจุบันเนี่ยยึดปฏิบันว่าเป็นจิตจะมีสมาธิมีสมาธิละเอียดขนาดไหนก็ยึด ต, ติดจะรูปฌานรูปฌานก็ ติจิตก็ติดดูความสุขนี้แหละ ว, ว่าเป็นจิตยึดทือสิ่งทุกอย่างมันเป็นจิตมองไม่เห็นที่ไหนหรอหาความโลภมันเจอที่ไหนอ่ะมันโผุพางทำลายหมดแล้วหาความโกรธมีที่ไหนอ่ะมันไม่เห็นหาความยินดีในความใหญ่ไม่มีมันไม่เห็นพอมันละจนจิตมันว่างแต่ความหลงสู่ละเอียดเนี่ยจิตมันหลงไม่ติดติดไม่ติดอนาคตแต่มันยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตนะ ไอ้จิตที่ว่างนี่ยมันเป็นกิเลสเป็นความหลงสุดละเอียนยิ้ดปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมัาเป็นจิตนี่ยมันฝังในจิตด้วยกันน่ะจิตกับกิเลสตัณหามันอยู่ด้วยกันนะสติปัญญาไม่เหลียนก็ไม่เห็นนะมีแต่ความว่างมันไม่ติดหากิเลสไม่เจอถ้ามีศึกษาปริยัติไม่ศึกษาแล้วไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนอะไรเป็นกิเลสมันไม่เห็นความโลภก็ไม่เห็นความโกรธก็ไม่เห็นความยินดีในกางทั้งหลายก็ไม่เห็นไม่โผล่ขึ้นมา มีแต่ความปงมบเยือกเยนไปในจิตเนี่ย anyway. มีแต่จิตที่เป็นอารมณ์กุศลก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสหรอกความจําได้ไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นกิเลสความสุขสุเรีก็ไม่เห็นแม้แต่ความคิดนึกปึงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลมีความดีก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสการรับรู้ต่างๆก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสคิดว่าเป็นจิตของเราความสุขสุรีก็จิตของเรามันยึดหมดอะความจําได้ไม่รู้ก็จิตของเรา ความคิดปรุงแต่งของสติปัญญาทําลายกิเลสก็จิตของเราออกไปทําลายอออกไปทําลายมาตลอดเราใช้สติปัญญาเนี่ยสังขารการรับรู้ต่างๆในปิบันเนี่ยจิตที่ว่างไปยึดปิบันว่าเป็นจิตผู้รู้วิญญาณการรับรู้ผู้รู้ก็ยึดเมื่อเป็นจิตของเราเนี่ยมันละเอียดเป็นแนบสติเป็นเนื้อเดียวกันเลยเยจิตกิบบเลสเนื้อเดียวกันความหลงสุเรียนศ ถ้าสติปัญาไม่เรียดหาไม่เจอหรอกจิตมันว่างว่างไม่ติดสัตว์ปะวัติธาตุธรรมชาติละเอียดเนี่ยมันจริงจริงบอกว่าแม้แต่แผ่นดินนี้เปลี่ยนเป็นเพชรเปลี่ยนเป็นทองคําทั้งหมดก็เป็นสัตว์ปะวัติธาตุธรรมชาติไม่เกิดความยินดีร้ายในในวัตถุธาตุนะมันหลุดปล่อยวางสมบุชจิตขึ้นตั้งวิบุตชเนี่ยมันไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายมันเป็นแบบนั้นนะแต่จิตมันยังหลงสู่ละเอียด มันยึดปฏิบัติว่าเป็นจิตนีมันละเอียดมากสติปัญญาต้องเหรียนเห็นอาการของจิตความสุขส่วนเหรียนก็ไม่เที่ยงะเวทนาความสุขส่วนเหรียนไม่เที่ยงความจําได้ไม่รู้ความจําได้ไม่รู้เกิดขึ้นกระดับไปแม้ความนึกคิดปรุงแต่งที่เคยหลงคิดว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตก็ใช้สติปัญญาทําลายกิเลสมาตลอดความนึกคิดปรุงแต่งเขาบายต่างๆทําลา ย, ย, ยลกิเลสก็ว่ามันจิตของเราอ่ะ แต่สุดท้ายก็เป็นเพียงความแยบคายของจิตสติปัญญาเป็นความแยกคายที่ออกมาจากจิตที่เกี่ยวกับทำลายกิเลสทาลายความหลงสุลยีสิ่งที่คิดถึงไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตสิ่งที่ไม่คิดบคนถ้าพิจณาไม่เดียร์ก็คิดว่าจิตเหมือนก้อนเห็นหลือเหมือน็ัตถท่าตุไม่คิงว่าสิ่งที่ไม่คิดมันเป็นจิตมันไม่ใช่มันเป็นปริศนารำมรรมยีสิ่งที่คิด ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงอาการของจิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตมันไม่ใช่มีคิดแต่มันรู้มันเป็นความรู้ที่ละเอียดมันเป็นธรรมชาติเป็นความรู้ความรู้ที่เห็นแล้วมันปล่อยวางจึงเหลือความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่มันเป็นงั้นจิตมันี่มันเห็นมันเห็นว่าทุกส <ica> <k> ิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงอาการของจิตเทศนาความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นระดับไปอ่ะ เห็นความมิเที่ยงความไมิใช่ตัวตนความจําได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่เราความได้คิดปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จิตนะแต่เราใช้มันใช้มันทําลายกิเลสนะทําลายกิเลสมาจนถึงจุดท้ายแล้วก็ต้องทำลายมันอีกอปล่อยวางอีกองค์ลักหาทางทาําลายข้าศัตรูตมาด้วยกันกู้แผ่นดินมาด้วยกันสุดท้ายแล้วองค์ลักเป็นกิเลสนี่นั่นแหละต้องทําลายไม่ต้องสงวนอะไรไว้ หลวงตาท่านก็บอกไม่ต้องสงวนอะไรไว้ถึงจิตแล้วทำลายจิตที่คิดว่าเป็นจิตนั่นแหละตรงไหนที่คิดว่าเป็นจิตมันทำลายที่ใดมีจุดมีต่อมอ่รู้เป็นผู้รู้ที่นั่นคือพบผู้ชาตินั่นก็กล่าวไวนะ้ะผู้รู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้รู้เนะั่นเป็นจุดเป็นต่อมนั่นคือพบผู้ชาติคือวิญญาณะถอยมาทำลายอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่หลังผูร้รู้คือความบริสุทธิ์ของจิต่ะ จิตที่ปล่อยวางที่เห็นและปล่อยวางความยึดมั่านถือมัน่นในสิ่งทั้งหลารู้เท่าทันและปล่อยวางสติปัญญาก็อยู่ส่วนสติปัญญากิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสจิตก็อยู่ส่วนจิตเป็นศักทะวาท่าทุกสิ่งทุกอย่างศัพท์ว่าธาตุธรรมชาติอาการจิตรูปเกิดขึ้นกระดับไปเวทนาเกิดขึ้นกระดับไปสัญญาเกิดขึ้นกระดับไปสันขานเกิดขึ้นกระดับไปวิญญาณเกิดขึ้นกระดับไปสิ่งที่คิดว่ามันจิตไม่ใช่จิต กิเลสความหลงที่เคยครอบงาจิตเคยกำบับจิตนะให้เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญนะ่นั่นแหละกบคุมอยู่เ้ารู้เท่าทันก็เลิกจ้างภูมิกับซะเลิกจ้างก็งไม่ยกลับจิตนี้ให้เกิดในภพภูมิต่างนะก็เป็นอิสระจิตเลยไม่มีในลูกจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณนะ ครูบาอาจารย์นี่ว่าเป็นธรรมธาตุเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์มันแยกออกไปได้มันถอดออกไปได้เหมือนพระพุทธรูปที่สร้างมาประกอบด้วยสัมพัสสมฤทธิ์ทองหน้าเงินเนี่ยถ้าเราแยกออกมาก็เหลือแต่ทองคําที่บริสุทธิ์ได้จิตก็เหมือนกันแยกจิตออกมาจากกิเลสตัณหาเนี่ยกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสจิตคืออยู่ส่วนจิตการปฏิบัติบําเพ็ญภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างการสร้างบารมีทุกถึงทุกอย่างก็เพื่อที่จุดมุ่งหมายสร้างบมีทั้งสิบประการย่นย่อมาแล้วก็คือการมันเป็นความดีมันเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้แจ้งซึงพระพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงนั่สิ้นจากจิตใจของเราเนี่ยเป้าหมายอยู่ตรงนั้นในการสร้างบารมีของเราทุกถึงอย่างต้องตั้งเป้าตั้งเป้าหมายไว้ให้มันสูงที่สุดปรัชนาทําแจ้งซึงพระพานไม่ว่า ถ้ายังมีพบมีชาติแล้ว่าเกิดขี่ภพขี่ชาตินะตามล่าตามลากไปเลยตามผานกิเลสไปอย่าให้มีในใจเราเนี่ยต้องมุ่งหวังแบบนั้นกิเลสมีอยู่ในใจเราเราก็ต้องหาทางที่ละทุกคนมีความอดทนมีความเพียรที่ละสิ่งที่ไม่เจชจากจิตใจเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านวางหลับทำคำสอนไว้ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้ท่านอาจารย์โสภาก็ได้ทำพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลเนี่ยเป็นเป็นที่บรรจุอัติธาตุของหลวงตามหาบัวแล้วก็ปฏิปทาของท่านทำบ้างท่านก็อยู่ที่นี่อันนี้ก็แนวทางของท่านเป็นแนวทางที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพื่อความบรรทุกเนี่ยให้เรายึดหลัก คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างยึดหลักคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างให้ดําเนินไปตามแนวทางนั้นเราก็จะพบได้ประสบกับความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งได้มีความตั้งใจในการที่จะบําเพ็ญบุญบารมีในพัพุทธศาสนาในครั้งนี้ที่เราได้ร่วมกัน มาท่านอาจารย์โสภาภาสร้างเคดีแล้วพวกเราก็ได้มาช่วยกันทั้งพระโยทั้งพระเดชและญาติโยมทั้งหลายสร้างเคดีขึ้นมาจนเสร็จเพื่อที่จะสืบพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในในทางหนึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้ก็เป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้ทําอันนี้ก็เราทั้งหลายทึงได้มารวมกันและได้ สิ่งที่สำคัญก็คือให้น้อมนำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจองเราให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พบจันเข้าและทำให้แจ้งเสื่อมริพานในที่สุดด้วยกันทุกท่านเทิญ